กันตอนเช้าตอนเย็นทบกับกับศีลกับธรรมตาทยายธรรมร่วมกันบทสวดมนต์มิตรบทดีๆแรงเอาธรรมวาจาทางกายทางกิตให้หลายๆด้านไปต่อเอาถ้าเป็นความเย็นหักคนในพานก็เอาความเย็นไปต่อเอา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 เหนื่อยเข็ดลาบแต่ถ้าเราเริ่มจากในร่วมดีๆเนี่ยให้พอพอใจยินดีเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจในทำอะไรมากมีความสำเร็จเมื่อมีความพอใจแล้วมันก็มีอันดุยต่อไปอีกเรียกว่าวิริยะคือความภาคเพียน จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังสองมีพลังอีกพลังสามเอกิตตะเอาใจฝอกไฝ่เอาใจฝอกไฝ่ไม่โทษทิ้งมีพลังอีกสี่อีกเข้าไปอีก ติตรองในเวลาที่เราทำปับปุงส่วนไหนอย่างไรชงโบชงว่างอย่างไรดำเนินไปทิศใดทางใดได้ข้อมูลไปเรื่อยเื่อยเรียกว่าคิตตะเรียก ว, วิมังสาภาษาภาษาธรรมถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมเนี่ย ก็มีความสำเร็จตายควรคอยเอาทุเลหน้าที่ของเพื่อนภิกษุสำเร็วสุวาสิกานักปวดเพื่อนกัลยามิตรที่อยู่ด้วยกันในครัวก็คิดถึงความหิวของเพื่อนเราคิดถึงความหิวของเพื่อน ถ้ยันทำอาหารปรุงอาหารอาหารก็รสชาติดีถ้าไม่กลัวที่ว่าตัวยังยากลำบากอาหารก็ไม่ค่อยมีรสไม่ชาติปลูกตนก้ตนไม้ลดต้นไม้กันเป็นกันทำอะไรถ้ายุง่งยุงยากยากะไม่มีแนวร่วมในทางที่ดีไม่มีพลัง การฝึกพลังมันทำให้ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนหลวงพ่อเรียนคาถาสยศาสตร์ก่อนที่จะไลผ่ผีต้องให้พลังแห่งความดีจะมีความชั่วไม่มีศีลผีไม่กลัวผีมันต้องกลัวผู้มีศีล กาถาอาคมมันจะดีต้องมีศีลมีสมาธิมีจิตใจที่ดีนั่งดูก็ได้จำไวว่าเราจะไปเอาคนออกลูกนะเวลาก็มาหาก็อย่าเพิ่งไปเลยนั่งต่อห้องพระสักหน่อยทำใจลองดูระมั่นใจเราก็ สำเร็จบางข้างเถึงกระบอกว่าถ้าเขามาเอาไปไล่ผีก็บอกเขาไปก่อนเขาก็ไม่เขาก็ไม่เชื่อว่าเราจะไปพราว่าเราจะไม่ไปแต่แม่จะนั่งกัเอานั่งรอสักหน่อยรอเนี่สักหน่อยแล้วก็ก็้าไปนั่งเซึ่ยงวอบอยู่ต่อหน้าห้องพระ แล้วก็มาบอกเขาว่ามันหายแล้วมันหายแล้วปกติแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เชื่อหรอกก็บอกเขาไปด้วยเขาก็ไม่เชื่อจําเพียงก็ต้องไปด้วยกันไว้ก่นอนถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีทำในบ้านมีแต่ลุยขี้ทมขี้โคนลนอลุยโคลนเปะปะเปรีป้ยวปากทำกันขึ้น พอไปถึงมันก็นอนหลับสบายแล้วอังทีมันก็มั่นใจความมั่นใจนะทำอะไรมันสักศสิเริ่มตั้งที่ใจก่อนสำเร็จได้ด้วยคิดใ จ, จเราเจริญสตินี่ก็ไม่ใช่จะทำเฉพาะยกมือเป็นสิบสามสิบสี่จังหวัดยี่สิบแปดจังหวัดยังไม่พอต้องมีคุณธรรมัอื่นเข้าไปร่วมด้วย ผู้จากนี้ก็อยากคิดว่ามันยุ่งยากโอ้ยทำอะไรก็ยากนะมันก็เป็นธรรมาดาเราจินข้าวก็ยังยังมีหลายอย่างไม่ถ้วยไม่มือมีตาไม่ชน่นไม่อะไรต่างๆอย่าไปคิดสิ่งเล่านั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ช่วยช่วยให้เกิดความสะดวก เราจเจริญสตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะก็หาแนวร่วมเจ๊เจสร้งสางศรัทธาศรัทธาว่ายังไงศรัทธาว่าทำดีได้ดีทำชั่วต้องชั่วศรัทธาในคำสอนของ菩สดาอย่าเหนาินทางอย่าอ่อนแอในศรัทธาจะเป็นตายไล้ดีอย่างใดเขาพอ อย่าไปทิ้งศรัทธาศรัทธานี่ยัไงไงเราก็เป็นของเราแล้วมาก่อนอย่างอื่นเราเชื่อกมคือการกระทามันมาก่อนมันเป็นทุนแล้วเป็นทุนแล้ว ถัาเป็นทุนเป็นทรัพย์เรจะเปรียบการทำนาก็เหมือนนาเรามีนาแล้วเป็นหลักแหล่งแล้ ว, ล ว, ลวตอนเราทำลงไปไมีความเพียรเข้าไปนาเรามีน้าฝนแล้วใจความรู้รรสึกตัวเข้าไปไม่เข้าปลูกแล้ว พวนดินใส่ปุย๋ยต้องไปที่ว่ามีสมาธิมีปัญญาแล้วมันหลงเราก็รู้เปลี่ยนตัวรูปเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ปัจจาไปพร้อมๆกันไปแล้วทำได้กับมือเราทันทีทนันใดเราจึงมั่นใจถ้าเราจะมองไป อดีตก็มองเห็นเงื่อนไขเห็นซุนเห็นลอยทั้งพระพุทธเจ้าหลักฐานก็คือเราพะสาพกแล้วก็มีตัวไม่ตนเมื่อเราจะมองขึ้นมาใกล้ๆตัวเราก็รมธทรทก็คือทรรมวินัยมีอยู่ ทำไปวนไหนอยู่ไหนก็อยู่กับเราอยู่กับเราแท้ๆแบบนั้นนะสบายเลยการทำความเพียรการเจริญสติไม่เหมือนกันทำามันเดิมเช่นพวกเราปลูกป่าสร้างป่าสร้างน้ำต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างต้องมีต้นไม้ เราไม่รถไถรถแท็กเตอร์น <c oughs> ้ำปราหญ้าปราบพง ม, มีน้ำก็ไปรอว่าฝนตกลงมามีแรงงานนอกจากตัวเราเองหาอแรงงานอยู่ให้เงินทุนเด็ดจ้าง่สร้างน้ำอ้ามีรถแมคโครดมีเงินอีก มันยากเงินน้อยๆบาทสิบาทก็ไม่พอต้องมีเงินมากมายมหาศาลเงินเราก็ไม่มีมีมือห้านิ้วสิบนิ้วก็ไม่มีคนเกิดแนวร่วมมีเมตตาคิดช่วยเหลือพวกเราก็ไม่ช่วยพวกเราไม่ยังมีคนที่จะช่วยเราอีกเขานัด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 ก่อนวันที่สองถึงกดวันที่สงแน่นอนนี่ก็มีแนวร่วมมีศรัทธามันยากกับพวกเราที่ทําความดีกว่าจะเกิดศรัทธาผู้คนให้แนวร่วมต้งตั้งที่เรามือเปล่าเริ่มต้นจากศูนย์นีเ่เราทำควาดีเราทําความเพียรไม่ต้องรออะไร ตะกอบลงไปทันทีลู่ลงไปศรัทธาแล้วก็ได้ทันทีความเพียรเราก็ได้ทันทีสติเราก็ได้ทันทีมีสมาธิมีปัญญาเกิดมาพร้อมกันทันทีมันมีของที่แก้กันไปในตัวมันหลงกับลู่ทันทีนั่นที่เกียจที่ข้านสัตต์หดศรัทธาก็สร้างศรัทธาขึ้นมาหามองเอาอย่างคนดี มองออย่างคนดีคนดีๆมือเยอะๆ เ, เราก็เห็นอยู่ใช่คนดีในปัจจุบันวันนี้ก็มีตรงนี้อาจจะมีจยน้อยเราก็ไม่มีใครเป็นคนดีเราก็สร้างตัวเองไม่มีใครเป็นมิตรกับเราเราก็เป็นมิตรกับตัวเอง หากาลยาณมิตรที่เดินหายยากเขาก็เป็ดกัรยานามิตรกับตัวเองยิ่งดีกว่าการยานามิรตรภายนอกมีกัรยานธรรมกา ร, รกยานธรรมก็คือผวกศรัทธาผูกศีลผูกสมาธิผูกความเพียรผวกสติปัญญาในเรว่องการยานธรรมไม่ยากเดีวจนเดียวจน มีสิ่งที่เป็นคู่คู่กันอยู่ของแต่ันคู่กันมันหลงกันไม่รู้เราสร้างขึ้นมาจิตใจของเราเนีมันเป็นสารพัดนะึกสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับใจอะไรทันทีเปลี่ยนได้ ทำไปทรมาทำไปทรมา <S <S มันเป็น <c oughs> ธรรมชาติในตัวธรรมชาติสร้างธรรมชาติธรรมชาติส ร, รา้างธรรมชาติธรรมชาติี่มันสร้างธรรมชาตินับจากเส้นหญ้านับจากกลามหอยเล็กๆด้น้อยของต้นไม้ บางทีใบ ไ, ไม้ร่วงลงมาเกิ่งไม้ร่วงลงตามทับถมใบไม้เอาไว้ก็จะพืชโจนย่าเกิดขึ้นมาแทนยึดต้นไม้ใบ ไ, ไม้ที่มันล่วงใต้พื้นพื้นดินทำให้ใบ ไ, ไม้ทำให้วัตถุต่างๆไม่หนีไปทางอื่นเวลาฝนตกลงมองมัน ถูกไปไหมค่อยปล่อยลงมาหยอนลงมามาถูกไปตองที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยซึมลงไปไม่ได้ไหลไม่เหมือนไม่เหมือนตกใส่ขรานหินไหลไปหมดยังไม่ได้ซึมเลยนับจากเล็กเกแต่น้อยนับจากศรัทธานับจากสตินับจากสมาธินับจาก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 มันก็ไม่งอกไม่งามสติไม่งอกไม่งามตาหูจมูกเลี้ยงกายใจตาลมอาการต่างๆสมบูรณ์ว่ า, ต า, ต า, ตาสติอินซีสีอินซีวางเทีมก็สู้ตาสู้หูสู้จมูกสู้เลีน้นสู้กายสู้จิตใจไม่ได้ เธอตาหงษ์จะบอกเรื่องกายใจเนี่ยมันเป็นภายในมันเป็นเจ้าเรือนสตินี่ถึงแม้มันมีอยู่แต่จริงแต่ว่าไม่เคยเป็นใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นอันอื่นเป็นใหญ่บางทีอารมณ์เป็นใหญ่นิสัยปัจจัยจริตเป็นใหญ่จริตหลดนิดสัยเป็นใหญ่ ทิฏฐิมานะเป็นใหญ่ความเห็นผิดเป็นใหญ่หรือ่ามิจฉาทิฏฐิเป็นปอหรือเ่าการปรับอินทรีย์นี่นี่ได้หลายอย่างเอาแบบยากม้ากเอารุนรุนบ้างทิมดูยกมือดูลู่ตัวไปกว่าทีท่สติมันจะเป็นใหญ่ ก็ต้องเปิดทางเบิกทางตัวเันได้ท Clear ี่ได้ทางครแป๊ดเตรียมของงอกงามครับเหมือนเราปลูกต้นไม้แต่ก่อนเราไม่ได้ไถเราก็มีความเห็นว่าหลายหลายอย่างที่เราคิดสมัยก hmm ่อนปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วก็ไม oh ่เหลือเพราะไม่ไม่ได้ปรับพื้นต้นยญ้าต้นผมเกิดขึ้นด้ายหญ้หมดเงินหมดทอง ได้เท่าไหรก็เกิดขึ้นเท่านั้นถึงระดูแล่งมากมวพอจะพื้ต้นหญ้ากลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดียเขาไม่ตายไปแล้วก็วางแผนปรับพื้นที่ให้ลถมาไถ่แล้วหญ้าคาเลยปล่เลยหญ้าพงก็ปเล ย, ย, มเลยแม่มีอยู่ก็ถอนแอ่เต็มที่แล้ สติก็เหมือนกันความพร้อมที่จะสร้างสติแป๊บเดียวก็ไปในห้องนอนแล้วเหมือนการเรียนเท่าไหล่โรงเรียนอะไรโรงเรียนสมัหินเลยสมัหินสมัยหินแล้วก็เคยไปดูอบ้านเด็กโรงเรียนบ้านเด็กเมืองกาญจนบุรีสมัหินเคยไปศึกษาเพื่อจะมาสอนเด็ก ใช่ไมมก่อนก็วนขวยมันกันนะผลขวยเพื่อผู้อื่นใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นผลขวยไปดูสมมติเห็นสมมติเห็นนี่ถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่พร้อมไม่ต้องไปสอนสอนขล อ, อยให้เขาไปเถอะเราเรียนปอนกว่าจะจบปหกเรียนหกปีแต่สมมติเห็นอาจจะเรียนไม่ถึงปีจบปหกเลยถ้าเขาพร้อมเนาะ แล้วเขาพ่อเขาไปเรียนเอาเรียนเอาเรียนเลาวก็สอบเปรียบเทียบมีกอสนเปรียบเทียบก่อที่จะได้ขึ้นฐานอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรแล้วก็เทียบไปเลยสอบไปเลยแทนที่เรียนหกปีก็เรียนปีเดียวจบ เือสตินี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราสร้างความพร้อมดีๆอย่าได้ถอดได้พายตัวให้มีความพร้อมเวลาใดเรานั่งสร้างก็ว่าพอใจเวลาใดเราใส่สติลงไปเนี่ยโอ้ยพอใจตื่นขึ้นมาตื่นเที่ยงขึ้นเนี่ยดีเมื่อเมื่อมานานมาเนี่ยทบจนลวด พัดปากาลิโกถามข่าวเรื่องวัดอากาลิโกเป็นอย่างไรอาารล้วนไม่ปัญหาแลยโอ้ปัญหาเยอะแยะหลวงพ่อปัญหาพอหลวงพ่อเจารันไม่มีปัญหามากมายเรื่องการทำมณโฑหลวงพ่อจารันก็ขัดแย้งกันบางกลุ่มก็จะสร้างโบสถก่อนบางกลุ่มก็สร้างมณโฑก่อนแย่งกันไปแย่งกันมาอาจาล้วนเลยผัว ถ้าทำบทแล้วสร้างมันจะได้สวยงามอันนี้ต้องเงินก็ไม่มีจะทําแล้วก็จะไม่ได้ดีแวมาขาก็เอาจำฐานว่าเลยไม่ได้สร้างฮนโดกขายังไม่ได้สร้างนอนไม่หลับทุกข์นะคิดเอาใจคนหร่นเอาใจคนนี่นอนไม่หลับทุกข์โอ้ทุกข์บางก็ดีนะ่ะหลวงพ่อผมนี่พ้นทุกข์ด้วเพราะความ คนดีความสุขโดยเพราะมันทุกข์ผมนอนไม่หลับผมก็เดินจงกรมมันก็ดีเนี่ยนอนไม่หลับก็ดีเน่ยมาเดินจงกรมซะถ้ามานอนไม่หลับจริงจเดินจงกรมจนโตหลุงเออได้ทำความเพียยนบางทีเขาก็ไปน้ํำยอก็น้ําบ่งแล้วฉลาดนะเขาคุยได้ก็ว่าทุกข์แท้ๆทาไมเขาพ้นจากทุกข์ การนอนไม่หลับแต่แท้ทําให้เขาได้ปราลบความเพียรบางคนนอนไม่หลับไม่ใช่ปรารบผลไปไปคิดทําไมเรานอนไม่หลับฉันไหมฉันนอนไม่หลับกลัวจะเป็นอันโน่นอันนี้มันมีปัญหาอะไรไปบ่นไปบ่นโอ้หลวงพ่อนอนไม่หลับทําไงจึงจะนอนหลับไปหาหมอนอนไม่หลับหมอให้ยานอนหลับมากินนอนหลับคุยเออดี้ดีรอยในทีสุดมันก็ร่มเร็ว ลองเอาแบบจานร่วนลงดูถ้าใครตื่นตื่นเตือนเตือนในตื่นขึ้นมาก็าหายใจเข้าหายใจออกนอนเล่นเช้าหลวงพ่อก็ตื่นตีหนึ่งเมื่อมันดึกนเตืนไปหน้าน่ะนอนหายใจเข้าหายใจออกดีนะนะจากนี้ไปถึงตีสี่มันก็สามสี่ชั่วโมงเราก็จะได้ทําความเปลี่ยนสี่ชั่วโมงหายใจเข้าหายใจออก ลูกคนหลับไปเมื่อไหร่ตื่นขึ้นาได้ยินเสียงคล้องผมไปคิดว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับตัวเออจะอีกว่าไปตื่นเดินเกินไปเลดีมองอะไรมองในแง่ดีมันหลงก็ดีหัวรลภความหลงมันทุกข์ก็ดีหัวรลภความทุกข์เอาความถูกต้องไปต่ออย่าให้มันขาดสะบั้นลงมาไปกับเขาทั้งหมดต่อไหวต่อไหว นเวลาเนี่ยมันก็ชวนให้ตื่นดึกเพรา่ อ, อะไรเพราะการหนักการเบาพ้วันใดนีนดื่มน้ํามากๆนะกลางคืนก็ไม่หนักไม่เบาพอตื่ขนขึ้นมาเราก็คนมีอายุเนี่ยก็ไม่อยากจะนอนถ้าไม่อยากจะนอนไปไหนหรอกแต่บางวันก็เดิ เที่ยวไปรู้เดินทางรอบวัดไปนนสักไม่คนเท่าในคนเท่าก็ดีนะดีอย่างไรเวลามีงูขวางทางแต่ยินเสียงไม่คนเท่าเราคุ้งมันจะหลีกทางให้เรามีอะไรที่มันขวางทางล้วสักไม่คนเท่าเราพกสอดบางเพศมันฟังอยู่กับพื้นดิแต่เกึกๆมันจะไปเลย ออยู่ตรงนั้นนะมีมู่จงอางลอกคราบอยู่ตรงนั้นยาวเกือบสองวาทําทไมไว่อย่างนั้นสงสัยมันไปลอกคราบตอนกลางคืนมูจงอางอยู่ไม่ใช่อยู่ในป่าอยู่โค่นใกล้ๆสลาน <c oughs> ตัวใหญ่เท่าแขนแน่อือไม้กันเท่าก็ดีนะจุกจุกจุกจุกไปกลางคืน แ้่หลวงพ่อเดินก็นคืนหลองพ่อจะถือไม้คนเท่าไปเลยไม่ต้องไห้ไฟก็ได้จุจๆจบไปในบางทีก็มองนี่สนุกไปนั้นแต่เราอยู่คนเดียวในโลกถ้ากลางคืนเรานอนท่าอิ่มแล้วจย่างนีน้เราตื่นขึ้นมาเนาะในโลกไม่มีเราคนเดียวเงีย บ, ยบดีจริง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 เอากลางคืนเป็นเวลาทําความเพียรเอากลางวันเป็นเวลานอนแต่ว่าไม่ถูกต้องหลวงพ่อเทียมก็เคยคิดแบบนั้นเรกลายเป็นโลกกระเพาะเพราะว่ากลางวันนีมันนอนมันก็เวลาคนนอนมันก็มันก็ไม่หิวไม่รู้จักหิวมันก็ค่อยได้กินข้าวนันก็หลับมันเรานอนกลางคืนเน่ะ ถ้าหิวหิวไปเนะี่ะไปนอนหลับเนี่ยมันก็หายหิวเนาะใช่ไหมที <c oughs> ่ <c oughs> ต้องอยู่เวลาหลับมันก็หายหิวเราหลวงพ่อเทียนก็ไม่รู้สมัยก่อนหลวงพอ่อเยเสียดายเนาะเสียดายหลวงพ่อเทียนถ้าไม่มีโลกเปลี่ยนเปลี่ยนหลวงพ่อเทียนจะมีอายุถึงร้อยปีเนะอายุเจ็ดสิบปีเนี่แข็งแรงกวนะ่าหลวงพ่อเนาะยังเดินพายบาตขึ้นรถโดยสารไปสอนธรรมะในโลกเปลี่ยนเปลี่ยน เราก็ไม่รู้ลราก็โง่จริงจริงตอนที่หลวงพ่อเทียนอายุ่หกสิบปีเนี่ยบนลนทอล้องลนท้องเอาผ้าเลวพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเอาผ้าคุมหัวไม่เป็นนะไม่ได้เอาผ้าผ้าผ้าหลบ ป, ปุกของแล้วก็ท่านก็สอนเราด้วยไม่เอาผ้าคุมหัวเหมือนกับมุสลิม เราพ่อพับพับหกระปุกเดินจงกลมกลางคืนแทบแทแทบหลวงพ่อก็อยู่กติกาใจหลวงพ่อดุให้หลวงพ่อไม่นอนนอนเดูก็เดินแทบแทบหลวงพ่อไม่นอนนอนมันบ่นนอนหัวมันแล้วมันฮอนท้องเนี่ยมันฮอนท้องเนี่ยนอนมากก็่้อนหลายแต่เดินเจ๊งๆกว่าใครแดงเดินมันอยู่นี่แหละบ่นนอนหัวมันแล้ว เดินำั้นกรพาหกหัวปทำจังไหนจังก็เสียเท่าเราหลวงพอ่อ้วกินน้ำเ้าก็ใครแด้ก็ไปหาน้ำมาเ้ามาให้กินพอกินลงไปเออใครยไมในูลว่าท่านเป็นโรคกระเพาะถ้าเรามารู้จักสมัยนั้นน่ะรีบรักษาซะจะไม่ได้กลายเป็นโรคมะเร็งมาตัดกระเพาะทิ้งเลยอายุหกสิบ เจ็ดสิบยี่สิบปีแั้วก่อนหลวงพ่อจะได้ตัด ก, กับเพาะอาหารเราสามารถรักษาทันอยู่พวกเราก็ไม่รู้โง่จริงๆเสียดายหลวงพ่อเถียนถ้าใครปนว่าล้นท้องเนี่ยอย่ไปหาน้่ ม, มาเฝ้ามาให้กันจิต น, นะต้องพาไปหาหมอหมองไว้ก่อนต้องไปโรคกระเพาะอาหารล้รนท้อง น่ <c oughs> ะแล้วก็ปวดท้องเพราะนั้นเองเหตุที่หลวงพ่อเทียนเรากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นกลางคืนถือว่าไม่ถูกต้องเนาะแน่นอนเพราะเราไม่ต้องเอาอย่างเนานะกลางคืนนอนกลางวันก็ทํางานต่อสู้เอถ้าหลวงพ่อจะบอกก็บอกกลางวันนี่แหละเป็นเวลาทำความเพีย กลางคืนต้องนอนเวลานอนก็ต้องนอนอย่าไปคิดจนนอนไม่หลับถ้ามีใครยังคิดเวลานอนถือว่าไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนนะเวลานอนก็บอกตัเองว่าเวลานี้เป็นเวลานอนก็อ น, นอนหลับไปหลับเขาช่างหัวมันว่าจะนอนก่อมโดยยังให้รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมันจะหลับ เมื่อต้องไปคิดว่ามันอยากแคให้มันหลับการคิดอยากจะให้มันหลับเลี่ยงไม่หลับนะนอนเฉยๆนอนสบายมันจะหลับอะไรก็ตามมันมีเทคนิคของมันอยู่การเจริญสติการเปลี่ยนนิสัยมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหลักเดียวเท่านั้นสติเอา สติเท่านั้นรู้สึกตัววิธีที่รู้สึกตัวอ้าวลอยอย่างหายใจเข้าหายใจออกยิ่งพอเราสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะยี่แปดจังหวะเนะเอาลงไปเพิ่มลงไปทำลงไ ป, ไ ป, ไปเนีส่วนใดก็ส่วนหนึง่งทิปตาติดต่อกันสักสิบนาทีเกอนน้ำลายติดต่อกันสักห้าห้านาทีทตังใจ นี่มันก็เป็นไปได้ก็รู้สักตัวก็อฟิตขึ้นมามีกำลังมีกำลังกำลังสติได้จากบับพักบับพระนี้เป็นเครื่องชูกำลังให้สติมันงอกงามบับพกักคือการเคลื่อนไหวกายบับพะ จิตบับปะสัมปชัญญะบับะเป็ น, ปนสิ่งที่ทำให้สติมันงอกามได้ไวทันทีทันใดแตาไม่ใช่บัปปะมันจะชามันจะชา้องใช่บัปะร่วมให้เกิดความรู้สึกตัวหิบตาคืนน้ำลาย ติ๊กมือสร้างจังหวาหรือเอาหนักตักจับจัเดินจงกรมเดินจงกรมนี่ดีดีสําหรับคนใหม่ๆเนาะดีกว่านั่งมันจะไม่เสียเวลากับความง่วงเดินจงกรมไม่เสียเวลากับความง่วงนั่งมันเสียเวลากับความง่วงความง่วงก็มาอาศัยเป็นอาคันตตกะมาบ่อยแต่เดินจงกรมนี่ยไม่ไม่ได้อาศัย จังหวงนึ่งก็ร่วดรวดในสติจังหวงหนึ่งจะมีบ้างคือความคิดความคิดมันก็ไม่ยากเหมือนกับความมั่งความมังม่งมันไม่แนวร่วมเยอะแยะตาก็เบลนไม่ขึ้นมืนออ่อนขาอ่อ น, นะถ้าถ้าความคิดเนี่ยมันยังเดินได้ ก็ออมาเดินเอามาลู่นนะมันมันเหมาะกว่าแต่ไปอย่าไปง่วงปล่อยให้มันง่วงกับการนั่งถ้าเราเข้มแข็งในการเดินจังครมในสติแล้วนะพอไปใช่ที่บทนั่งมันจะสบายแตเอาอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยชอบเดินเราทําไมไม่พอมีอารมณ์แล้วรู้จักรูปจากนามแล้วค่อยนั่งนั่งดีกว่าเดินไปนะ ถ้า ไ, ได้อารมณ์เรานั่งดีเพื่อเดินเพราะอะไรเพราะมันเห็นรายละเอียดกว่ากันมันจะเห็นความง่วงมันจะเห็นความคิดเดินจมกองมันแรงมันมากเกินไปขย่าลู่ตัวลู่มากเกินไปแต่พอมานั่งนะมันมันค่อยโผให้เราเห็นนิสยัยปัจจัยอะไรต่างๆมาเกิดขึ้นมาละเอียดกว่าความง่วงความรู้สึกตัวขณะที่เรายกมือช่างยู่ว่าจ้ะ จะู้ทันรู้เท่ารูทันเหมือ น, นกับับสะอาดมองเห็นที่ฝุ่นได้ถ้าสกรปรกเหมือนกับถน น, น, นทางมันก็มองไม่เห็นอะไรถ้าลราพื้นดินคอนกรีตหินอ่อนกับเบื้องมันมองเห็นที่ฝุ่นได้ถ้ามาจับจับมันมองไม่เห็น ความรู้สึกตัวขณะที่เรานั่งมันละเอียดกั่วการเติดนจังคมถ้าทายหลายอย่างหรือนอนได้ถ้าเราเก่งพอที่จะนอนก็นอนได้นอนได้นั่งได้ต่ยืนเลยพวกเราไม่ค่อยสอนกันไม่ค่อยสอนกันไม่เหมือนธรรมธาโลของ วัดไสงามวัดไสงามก็ยืนเป็นหลายชั่วโมงเพราะเราไม่สอนกันหลวงพ่อเทียนก็ไม่สอนสอนใหญ่ๆอยู่อิบดีวิ่งเดินกับนั่งสร้างแก้วนอนก็ไม่ค่อยสอนยืนก็ไม่ค่อยสอนแต่มียน้อยๆหลวงพ่อเทียนสอนเพียงสาธิตการนอนก็หลวงพ่อก็สาธิตการยืนก็สาธิตแต่แน่นอนที่สุดคือนั่งสร้างแก้วได้สัตว์ได้สวนพอดีกาเดินพอดีพอดี น่อาชีพของพวกเรานะให้อย่ากเกลียดข้านให้อาชีพแบบนี้ขอให้เราถือว่าเป็นอาชีพทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเราก็เป็นบาปนะพวกเรากันเลี่ยงชีวิตเนื่องด้วยพวกอื่นไม่ได้ทำมาหาินเองอย่างที่เราชวดอ่ ถ้าเราประมาดปินท บ, บาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องนองหอมยารักษาโลกคนผู้ช่วยเราเขาจะไม่มีอานิสงส์เขาช่วยโจรผู้ร้ายถ้าเราภาโลภความเพียรปินท บ, บาตเสน า, น า, าสนะชีระเภสัชยารักษาโลกผู้ให้ความบุญธรรมเขาเขาจะไม่อิสรงใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นผลเพราะเขาไม่ได้เลี่ยงโจรเขาเลี่ยงคนให้เป็นคนดีเป็นพระขึ้นมาแล้วเราจะได้ไปช่วยคนอื่น เราจะได้ไปสอนคนอื่นอย่างน้อยเราก็ช่วยตัวเราไม่ให้เป็นภัยปัญหาต่อสังคมสงบคนหนึ่งหรอในโลกในขอให้เราคิดอย่างนั้นตัวเราสงบคนหนึ่งไม่ทะเลาะกับใครอัดไปเลยไม่ทะเลาะวิวาดกับใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้ามีพลังมีกําลังเราเอาไปช่วยคนอื่นไม่เขาไม่เบียดเบียนเขา ไปช่วยคนอื่นไม่ให้เขาเวียเบียนคนเื่นก็ยิ่งดีใหญ่ที่แรกก็เอาช่งนี่ก่อน